วจีสุจริตมโนุสุจริตชนเหล่านั้นชื่อว่ารักษาตนแม้ว่าพนช้างพลมาพนรถหรือพลเดินเท้าไม่รักษาเขาก็ตามชนเหล่านั้นก็ชื่อว่ารักษาตนข้อนั้นเพราะเหตุใรเพราะการรักษาเช่นนั้นเป็นการรักษาภายในมิใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้น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 เป็นการรักษาภายในมิใช่เป็นการรักษาภายนอกฉะนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่ารักษาตนพระผู้มีพระภาคละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า <c oughs> การสำรวมกายเป็นการดี <c oughs> การสำรวมวาจาเป็นการดี <c oughs> การสำรวมใจเป็นการดีการสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดี บุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้วมีความละอายต่อบาปเรากล่าวว่ารักษาตนอัตตะรคิตะสูตรที่ห้าจบหกอ ป, ปะกะสูตรว่าด้วย สัตว์มีจำนวนน้อยเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีพระเจ้าประสิทธิโกศนประทับนั่งณที่สมควรแล้วเด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าสัตว์เหล่าใดได้โภคะมากมายแล้วไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่ติดอยู่ในกลาม และไม่ประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นมีจานวนน้อยในโลกส่วนสัตว์เหล่าใดได้โผล่ามากมายแล้วมัวเมาประมาทติดอยู่ในกามและประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นมีจำนวนมากในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบาพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบาพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้น สัตว์เหล่าใดได้โผคะมากมายแล้วไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่ติดอยู่ในกามและไม่ประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นมีจํานวนน้อยในโลกส่วนสัตว์เหล่าใดได้โผคะมากมายแล้วมัวเมาประมาทติดอยู่ในกามและประพฤติผิดในสัตว์ทั้งหลายสัตว์เหล่านั้นมีจํานวนมากในโลกพระผู้มีพระภาคละถึง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 เจ็ดอัฏฐกรณะสูตรว่าด้วยการกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัถีพระเจ้าประเสิทธิโกสลนประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้นั่งพิจารณาคดีเห็นขติยะมหาศาลบ้างพราหมณ์มหาศาลบ้าง ขหบดีมหาศาลบ้างซึ่งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธั ญ, ญชาติมากมายกล่าวเทศ ท, ทั้งที่รู้อยู่เพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเขาหมูลเพราะการเป็นตัวการหม่อมฉันได้มีความคิดดังนี้ว่า บัดนี้ไม่สมควรที่เราจะพิจารณาคดีเพราะบัดนี้ราชโอรสนามว่าวิทูทะะผู้มีหน้าชื่นบานจากมาพิจารณาคดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบาพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบาพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นคติยะมหาสาลพราหมณะมหาศาลกหะปดีมหาศาล แม้บางพวกเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมายมีทรัพย์เครื่องปลื้มใจมากมายมีทรัพย์และธั ญ, ญชาติมากมายกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นเขาโมลเพราะการเป็นตัวการข้อนั้นจากมีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่พวกเขาตลอดกาลนาน พระผู้มีพระภาคละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้กำหนัดกล้าในโภคะที่หน้าใครมักมากห ม, มกมุ่นในกามไม่รู้สึกตัวว่าละเมิดเหมือนฝูงปลาไม่รู้สึกตัวว่ามีเครื่องดักที่เขาดักไว้ฉะนั้นผลเผ็ดร้อนย่อมมีแก่สัตว์พวกนั้นในภายหลังเพราะกรรมนั้นมีวิบากเลวซาม อธกรณสูตรที่เจ็ดจบ 8. มัญลิกาสูตรว่าด้วยเรื่องพระนางมัญลิกาเทวีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้น พระเจ้าประเสนทิโกสนกับพระนางมลิกาเทวีได้ประทับณประสาทอันประเสริฐชั้นบนครั้งนั้นพระเจ้าเปเสนทิโกสนได้ตรัสถามพระนางมลิกาเทวีดังนี้ว่ามลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเธอมีบ้างไหมพระนางมลิกาเทวีได้ทูลสนองว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองธุลีพระบาท ใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของม่อมฉันไม่มีเลยและใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์มีอยู่หรือพระเจ้าเปเสนทิโคศนตรัสว่ามันลิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเราไม่มีเลยต่อมาพระเจ้าประเสนทิโคศนสเสด็จลงจากปราสาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้ข้าพระองค์อยู่ที่ประสาทอันประเสริฐชั้นบนกับพระนางมณิกาเทวีได้พูดกับพระนางมณิกาเทวีดังนี้ว่ามณิกาใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของเธอมีบ้างไหม เมื่อข้าพระองค์ถามแล้วอย่างนี้พระนางมลิกาเทวีได้ตอบข้าพระองค์ดังนี้ว่าขอเดชะได้ฝาละองทุลีพระบาทใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของหม่อมฉันไม่มีและใครอื่นซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของพระองค์มีอยู่หรือเมื่อพระนางมลิกาเทวีกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้พูดกับพระนางมลิกาเทวีดังนี้ว่า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 ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นมนิกกาสูตรที่8จบเก้ายันย์ยศูรว่าด้วยการบูชายันเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถี สมัยนั้นพระเจ้าปเปเสนที่โคศนได้ตระเตรียมการบูชามหายันคือโคตัวผู้ห้าร้อตัวลูกโคตัวผู้ห้าร้อยตัวลูกโคตัวเมียห้าร้อยตัวแพะห้าร้อตัวและแกะห้าร้อยตัวถูกนำไปผูกไว้ที่หลักเพื่อบูชายันแม้ขราชบริพารของพระเจ้าปเปเสนที่โคศนนั้นผู้เป็นทาต คนใช้หรือกรรมกรที่มีอยู่แม้ชนเหล่านั้นก็ถูกอาชญาคุกคามถูกภัยคุกคามร้องไห้น้ำตานองหน้ากระทําบริกรรมอยู่ครั้นเวลาเช้าภิกษุจํานวนมากครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันพัตาหารเสร็จแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้พระเจ้าเปเสนที่โกรุสนได้ตรเตรียมการบูชามหายันคือโคตัวผู้ห้าร้อยตัวลูกโคตัวผู้ห้าร้อยตัวลูกโคตัวเมียห้าร้อยตัวแพห้าร้อยตัว และแกะห้าร้อยตัวถูกนำไปผูกไว้ที่หลักเพื่อบูชายันแม้ขราชบริพารของพระเจ้าเพรสเซนทิโกสนนั้นผู้เป็นทาสคนใช้หรือกรรมกรที่มีอยู่แม้ชนเหล่านั้นก็ถูกอาชียาคุกคามถูกภัยคุกคามร้องไห้น้ำตานองหน้ากระทำบริกรรมอยู่ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่ามหาญา์ที่มีกริยามากเหล่านั้นคืออสวะเมตบุรุษเมตสัมมาปาสะวาชะเปยยะนิรักขละไม่มีผลมากเพราะพระอริยะผู้ปฏิบัติชอบแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ย่อมไม่เกี่ยวข้องกับยันที่มีการฆ่าแพะแกะโคและสัตว์ชนิดต่างๆ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 ยันย่อมแพร่หลายและเทวดาก็ยังเลื่อมใสยันยสูตรที่เกจบ 10. พันธนสูตรว่าด้วยเครื่องจองจำสมัยนั้น มูมหาชนถูกพระเจ้าเป็นที่โกศธนให้จองจาไว้แล้วบางพวกถูกจองจำด้วยเชือกบางพวกถูกจองจำด้วยขือข่อคาบางพวกถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนครั้นเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสศพถือบาตรและจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาทภายหลังจากฉันพัฒหารเสร็จแล้ว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 ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่านักปราทั้งหลายไม่ได้กล่าวถึงเครื่องจองจําที่ทำด้วยเหล็กทาด้วยไม้และทาด้วยหญ้าว่าเป็นเครื่องจองจําที่มั่นคงแต่กล่าวถึงความกำนัดยินดีนักในเครื่องประดับแก้วมณีและความอาลัยในบทและพัญญาทั้งหลายว่าเป็นเครื่องจองจาที่มั่นคง นักปราทั้งหลายกล่าวถึงเครื่องจองจำที่มีความกำหนัดยินดีนักในเครื่องประดับแก้วมณีเป็นต้นนั้นที่ต่ำหย่อนแก้ได้ยากว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงที่รชนตัดเครื่องจองจาแม้เช่นนั้นได้แล้วออกบวชเป็นผู้ไม่มีความอาลัยและกลามสุขเสียได้พันธะนสูตรที่สิบจบวรที่หนึ่งจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ทหระสูตร 2. ปุริสสูตร 3. ชรามรณะสูตร 4. ปิยะสูตร 5. อัตระคิตะสูตร 6. อัปกะสูตร 7. อัฏฐกรณะสูตร 8. มลิกาสูตร 9. ยัญยสูตรสิบพันธะสูต ร, ส, นน ส, ตรสองทุติยววักหมวดที่สองหนึ่งสัตต์ชดินละสูตรว่าด้วยชดินเจ็ดคน สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะบุพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนแล้วประทับนั่งที่นอกซุ้มประตูครั้งนั้นพระเจ้าเปเสนทิโกสนเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้ว ประทับนั่งหน้าที่สมควรสมัยนั้นชดิ น, น, น, น, นเจ็ดคนนิโครนเจ็คนอาเจลกะเจดคนเอกษาดกเจ็คนปริภาชกเจ็ด ค, คนผู้มีขนรักแร้เล็บและขนยาวถือเครื่องบริขารต่างๆเดินผ่านไปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคท่านใดนั้นพระเจ้าเปเสนที่โกศนเสด็จลูกจากที่ประทับ ทรงหอมพระภูษาเฉวียงพระอังศาข้างหนึ่งทรงจดพระชานุมนทลเบื้องขวาณพื้นแผ่นดินประนมมือไปทางฉดินเจ็ดคนนิครณเจ็ดคนอเจลกะเจ็ดคนเอกสาดกเจ็ดคนปริภาชกเจ็ดคนเหล่านั้นแล้วทรงประกาศพระนามสามครั้งว่าท่านเจ้าข้าเข้าไปแจาคือพระราชาเปรสิทธิโกศลและถึง ท่านเจ้าค่าเขาพระเจ้าคือพระราชาประสิทธิโกศลลำดับนั้นเมื่อชดินเจ็ดคนนิครณเจ็ดคนอาเจลกะเจ็ดคนเอกษดาดกเจ็ดคนปริพาชกเจ็คนเหล่านั้นเดินผ่านไปได้ไม่นานพระเจ้าประเสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วประทับนั่งณที่สมควร แล้วเดียกราบทูนพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตมักเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาปิพิตพระองค์เป็นครหัตบริโภคการมครอบครองเรือนบรรทมเบียดพระโอรสและพระชายา ชาจุนจันอันนำมาจากแคว้นกาสีทรงมาลาของหอมและเครื่องรูปลายยินดีเงินทองยากที่จะรู้เรื่องนี้ว่าคนพวกนี้เป็นพระอรหันต์หรือว่าคนพวกนี้บรรลุอรหัตมักิมหาบภาิษสีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันศีลนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยการละนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อย ผู้ใส่ใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจรู้ไม่ได้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้มหาปพิดความสะอาดจะพึงรู้ได้ด้วยการเจรจาความสะอาดนั้นจะพึงรู้ได้ด้วยการละนานไม่ใช่ด้วยการเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงจะรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจรู้ไม่ได้ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้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 ข้าพระองค์จะรู้เรื่องราวหลังจากที่คนเหล่านั้นสืบมาบัดนี้คนเหล่านั้นคงจะชำระล้างละองทุลีนั้นแล้วอาบสะอาดดีลูบไล้ผิวดีแล้วโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าขาวเออบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรอข้าพระองค์อยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความนี้แล้ว จึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่าคนผู้รู้ดีไม่ควรไว้วางใจใครเพราะผิวพรรณและรูปร่างไม่ควรไว้วางใจใครเพราะการเห็นกันชั่วครู่เดียวเพราะว่านักบวชผู้ไม่สำรวมทั้งหลายย่อมเที่ยวไปในโลกนี้ด้วยเครื่องบริขารของเหล่านักบวชผู้สำรวมดีแล้วนักบวชเหล่านั้นผู้ไม่บริสุทธิ์ในภายในงามแต่ภายนอก แวดล้อมด้วยบริวารท่องเที่ยวอยู่ในโลกดุดต้มหูดินและเครื่องโลหะเครื่องมาสกหุ้มด้วยทองคำปลอมไว้สัตตะชะดินและสูตรที่หนึ่งจบสอง วันจะราชาสูตรว่าด้วยพระราชาห้าพระองค์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระราชาห้าพระองค์มีพระเจ้าปเปเสนทิโคสลทรงเป็นประมุขผู้เอิบอิ่มเพียพร้อมด้วยกามคุณห้าได้รับบัมเรออยู่มีคาถามเกิดขึ้นในระหว่างการสนทนากันว่าอะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลาย บรรดาพระราชาเหล่านั้นบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารูปเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าเสียงเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ากลิ่นเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารสเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าโพธิภพเป็นยอดแห่งกามทั้งหลาย ในขณะนั้นพระราชาเหล่านั้นไม่อาจจะตกลงกันได้พระเจ้าปเปเสนที่โกสนจึงได้ตรัสกับพระราชาเหล่านั้นดังนี้ว่ามาเถิดท่านผู้นิรทุกทั้งหลายพวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามความข้อนี้กับพระองค์พระองค์ทรงพยากรแก่พวกเราอย่างใดพวกเราก็พึงจำคําพยากรนั้นไว้อย่างนั้น พระราชาเหล่านั้นทรงรับพระดํารัสของพระเจ้าเปเสนทิโกสนแล้วต่อมาพระราชาห้าพระองค์นั้นมีพระเจ้าเปเสนทิโกสนทรงเป็นประมุขเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระเจ้าระเสนทิโกศลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขาพระองค์ทั้งหลายในที่นี้เป็นราชาทั้งห้าองค์เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าได้รับบ่มเรออยู่มีคำถามเกิดขึ้นในระหว่างการสนทนากันว่าอะไรเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารูปเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าเสียงเป็นยอดแห่งกามทั้งหลาย บางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ากลิ่นเป็นยอดแห่งกรรมทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ารสเป็นยอดแห่งกามทั้งหลายบางพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าโพัพภะเป็นยอดแห่งกรมทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นยอดแห่งกรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาปพิธที่สุดแห่งความพอใจนั่นแหละ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 เป็นรูปยอดเยี่ยมสำหรับเขามหาพิษเสียงเหล่าใดมหาพิษกลิ่นเหล่าใดมหาพิษรสเหล่าใดมหาพิษโพธะพะเหล่าใดเป็นที่พอใจของคนบางคนโพธพะเหล่านั้นไม่เป็นที่พอใจของคนบางคนเขาพอใจมีความดําริเต็มรอบด้วยโธพธพระเหล่าใด โพธิภะอื่นจากโพธพภะเหล่านั้นจะยิ่งกว่าหรือประนีกว่าเขาก็ไม่ปร า, าปรถนาโพธพภะเหล่านั้นเป็นโพธพภะที่ดียิ่งสําหรับเขาโพธพภะเหล่านั้นเป็นโพธิภัยยอดเยี่ยมสําหรับเขาสมัยนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกนั่งอยู่ในบริษัทนั้นลำดับนั้นจันทนังคลิกกะอุบาสก ลุกจากที่นั่งโฮมผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเหตย่างหนึ่งปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเหตย่างหนึ่งปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจันท น, นังคลิคกะเหตุนั้นจงปรากฏแก่ท่านเถิด ลำดับนั้นจันทนังคลิกะอุบาสกได้สรรเสริญพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระภักเรื่องคาถาที่สมควรแก่เหตุนั้นว่าดอกปทุมชื่อโกกนุษย์บานในเวลาเช้ายังไม่สิ้นกลิ่นยังหอมอยู่ฉัน้นใดท่านจงดูพระอังคีรสผู้ไพรโรดอยู่ดุจ ด, ดวงอาทิตย์รุ่งโรดอยู่ในอากาศฉันนั้นลำดับนั้น พระราชาห้าพระองค์นั้นทรงให้จันทนังคลิกกะอุบาสกห่มผ้าห้าผืนทันใดนั้นจันทนังคลิกกะอุบาสกก็ถวายให้พระผู้มีพระภาคทรงห่มผ้าห้าผืนเหล่านั้นปัญจราชาสูตรที่สองจบ โทนปากะสูตรว่าด้วยการหุงข้าวสารทนานหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าเปเสนทิโกศนเสวยพระกระยาหารที่หุงด้วยข้าวสารทนานหนึ่งทรงอึดอัดเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า พระเจ้าเะเสนทิโคศนเสวยแล้วทรงอึดอัดจึงได้ตรัสคาทานี้ในเวลานั้นว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในโพชนะที่ได้แล้วย่อมมีเวทนาเบาบางเขาย่อมแก่ช้าอายุก็ยั่งยืนสมัยนั้นมานพชื่อสุทัศนะยืนอยู่เบื้องพระปริศดางของพระเจ้าเะเสนทิโคศน พระเจ้าประเสิทธิโคศลรับสั่งเรียกสุทัศน์มานพมาตรัสว่ามานี่สุทัศน์เจ้าจงเรียนคาถาในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วจงกล่าวในเวลาที่เราเสวยเครียาหารอันหนึ่งเราจะให้ค่าอาหารแก่เจ้าวันละร้อยกหาปะนะณะสุทัศน์มานพรับสนองพระดารัสพระเจ้าประเสิทธิโคศนว่า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 ทรงดำรงอยู่ได้โดยเสวยพระกรยาหารทนานหนึ่งเป็นอย่างมากเรื่อยมาต่อมาพระเจ้าประสิทธิโกศลมีพระวรากายกระปรี้กระเป่าทรงลูกพระวรากายด้วยฝาพระหัตทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในปัจจุบัน และประโยชน์ในภายหน้าอย่างแท้จริงโทนปากะสูตรที่สจบ 4. ปฐมสังคามะสูตรว่าด้วยสงครามสูตรที่หนึ่ง เรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตทรงจัดจัตรุรงค์ี่นีเสนายกไปลุกรานพระเจ้าประสิทธิโกศนทางแคว้นกาสีพระเจ้าประสิทธิโกศนทรงสงดับข่าวว่าพระเจ้าอาชาสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตทรงจัดจัตรุรงค์ี่นีเสนา ยกมาลุกรานเราทางแคว้นกาสีจึงทรงจัดจตรุรงคีนีเสนายกออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอาชาตศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแควนมคตป้องกันแควนกาสีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาตศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตกับพระเจ้าประสิทธิโคศนทรงทำสงครามต่อกันสงครามครั้งนั้นพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตร ผู้ครองแคว้นมคตทรงชนะพระเจ้าประสิทธิโกศลฝ่ายพระเจ้าประเสิทธิโกศลผู้พ่ายแพ้ก็เสด็จล่าทัพกลับกรุงสาวัตถีราชธานีของพระองค์ครั้นเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสศกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันพัตาหารเสร็จแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าอาชาติสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตทรงจัดจัดตุรงค์ที่นีเสนายกมาลุกรานพระเจ้าประสิทธิ์ที่โคศนทองแควนกาสีพระเจ้าประสิทธิ์ที่โคศลทรงสดับข่าวว่า พระเจ้าอาชาสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตทรงจัดจัตร uh ุรงคินีเสนายกมารุกรานเราทางแคว้นกาสีจึงทรงจัดจัตรุรงคินีเสนายกออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอาชาสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตป้องกันแคว้นกาสีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคต กับพระเจ้าเประเซนที่โกศลทรงทำสงครามต่อกันสงครามครั้งนั้นพระเจ้าอาชาตสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตทรงชนะพระเจ้าปเาปอร์เซนที่โกศลฝ่ายพระเจ้าเปอร์เซนที่โกลผู้พ่ายแพ้ก็เสด็จล่าทัพกลับกรุงสาวัตถีราชธานีของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พระเจ้าอชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแควมคตมีมิตรเลวมีสหายเลวมีเพื่อนเลวฝ่ายพระเจ้าเะเสนทิโคสลเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีวันนี้พระเจ้าเะเสนทิโคสลทรงพ่ายแพ้มาแล้วอย่างนี้จากบรรทมเป็นทุกตลอดราตรีนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดา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 สิยสังฆามาสูตรว่าด้วยสงครามสูตรที่สองครั้งนั้นพระเจ้าอาชาสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตทรงจัดจัตรุรงคิที่นีเสนายกไปรุกรานพระเจ้าประเสิเเทธิโคศนทองแควนกาสีพระเจ้าประเสิทธิโคศนทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าอาชาสตรูวเวเทหิบุตรผู้ครองแควนมคต ทรงจัดจัตุรงค์ขี่นีเสนายกมารุกรานเราท่องแขวนกาสีจึงทรงจัดจัตุรงค์ขี่นีเสนายกออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอาชาสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแควนมคตป้องกันแขวนกาสีครั้งนั้นพระเจ้าอาชาสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแววนมคตกับพระเจ้าประเสณทิโคสนทรงทําสงครามต่อ ก, กัน สงครามครั้งนั้นพระเจ้าปเปเสนทิโกสนทรงชนะพระเจ้าอาชาตสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตและได้จับเป็นเชลยศึกครั้งนั้นพระเจ้าปเปเสนทิโกสนได้มีพระดำริดังนี้ว่าถึงแม้พระเจ้าอาชาตสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตนี้จะประทุษร้ายเราผู้มิได้ประทุษร้ายแต่เธอก็ยังเป็นหลานของเรา ทางที่ดีเราควรยึดพลช้างพลมา้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอันชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตแล้วปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไปครั้นเวลาเช้าภิกษุจำนวนมากครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรเที่ยวไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาทภายหลังจากชันพัฒหารเสร็จแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรภิกสุทั้งหลายเดียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าอชาติสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตทรงจัดจัดตุรงคที่นีเสนายกมาลุกรานพระเจ้าเะเสนทิโคสนทางแคว้นกาสี พระเจ้าเปรสิญทิโกสลทรงสดับข่าวว่าพระเจ้าอาชาสัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตทรงจัดจัดตุรงค์ขี่นีเสนายกมารุกรานเราทางแคว้นกาสีจึงทรงจัดจัดตุรงค์ขี่นีเสนายกออกไปต่อสู้กับพระเจ้าอาชาสัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตป้องกันแคว้นกาสีครั้งนั้น พระเจ้าอชาชาติสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแควนมคตกับพระเจ้าเะเสนทิโคสนทรงทำสงครามต่อกันสงครามครั้งนั้นพระเจ้าเะเสนทิโคสนทรงชนะพระเจ้าอาชาติสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแควนมคตและได้จับเป็นเชลยศึกครั้งนั้นพระเจ้าเะเสนทิโคสนได้มีพระดำริดังนี้ว่า ถึงแม้พระเจ้าอชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตนี้จะประทุษร้ายเราผู้มิได้ประทุษร้ายแต่เธอก็ยังเป็นหลานของเราทางที่ดีเราควรยึดพลช้างพลมา้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอชาติศัตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตแล้วปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโคศลทรงยึดพลช้างพลมา้าพลรถและพลเดินเท้าทั้งหมดของพระเจ้าอาชาตสตรูเวเทหิบุตรผู้ครองแคว้นมคตแล้วทรงปล่อยพระองค์ให้รอดชีวิตไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาเหล่านี้ในเวลานั้นว่า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 และผู้โกโรธย่อมได้รับการโกรธตอบเพราะเมื่อกรรมให้ผลผู้แย่งชิงนั้นย่อมถูกเขาแย่งชิงไปทุติยสังคามาสูตรที่ห้าจบ